بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامد الشريف التاسع ويحتوي على سور الكهف مريم طاها ل م م أ ن ب ي ا ء ن أ ن <ت> م <ص> بل الكافي بل <ق> الكافي بين بل مكيه อันดับที่ส8บดมีทั้งหมดหนึ่ง้อสิบองค์การเป็นบทหนึ่งในห้าบทที่เริ่มต้นด้วยอัลฮัมดุลิลลาบททั้งห้าคืออัลฟัติอ ah, ัลอัลอาอัลกาฟิซาบาและฟัติดังกล่าวทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญให้เกียรติแด่ลอผู้ทรงสูงสง่งเทอดทูลความศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์ยอมรับความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรความเครือกล้อง และความสมบูรณ์ของพระองบทนี้ประมวลเรื่องราวความเป็นมาในอดีตที่สําคัญสามเรื่องด้วยกันโดยยืนยันถึงความมุ่งหมายหลักอันดับแรกเพื่อนเน้นหนักถึงการเชื่อมั่นและการศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์เรื่องแรกคือเรื่องของชาวถ้ำซึ่งมีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งยอมเสียสละชีวิตในแนวทางต่อการศรัทธาเชื่อมั่น ต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกที่เข้าไปพำนักอยู่ในถ้ำแล้วก็หลับไปเป็นเวลานานถึงสามร้อยกับเกปีหลังจากนั้นอลัลลอ์ทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เรื่องที่สองคือเรื่องของนบีมูซากับบ่าวที่ดีชื่อว่าคอติดเป็นเรื่องการแสวงหาวิชาวความรู้ทรงเปิดเผยให้บ่าวที่ดีของพระองค์คือคอติด บ่าวคนนี้ถึงแม้ว่าองค์การจะมิได้ระบุว่าเป็นนบีแต่จำนวนขององค์การที่ใช้กับบ่าวคนนี้เหมือนกับที่อัลกุรอานใช้กับบรรดานาบีคนอื่นๆนักวิชาการและปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจึงมีความเห็นว่าข้อตรีเป็นนบีได้รับทราบโดยที่นบีมูซาไม่สามารถล่วงรู้ได้ถึงเบื้องหลังของสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อ ต, อตาเขาจนกว่าข้อตรี จะแจ้งให้เขาทราบนั่นคือเรื่องเรือเดินทะเลเรื่องการค่าเด็กกําพร้าและการบูรณะกำแพงเรื่องที่สา ح. คือเรื่องสุลกรไนเขาเป็นกษัตริย์ซึ่งอัลลอฮ์ทรงให้เขามีความเข้มแข็งยำเกรงและมีความยุติธรรมโดยให้เขามีอำนาจปกครองอย่างกว้างใหญ่ไพศาลตามคำเรียกร้องของประชาชน นอกจากเรื่องทั้งสามแล้วบทนี้ยังได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงอีกสามเรื่องเพื่อชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์ว่าศัจธรรมนั้นไม่ได้สัมพันธ์กับการมีทรัพสมบัติมากมายหรือมีอำนาจล้นฟ้าแต่ศัจธรรมนั้นสัมพันธ์อยู่กับความเชื่อมั่นและการศรัทธาตัวอย่างแรกกล่าวถึงเศรษฐีที่อวดบาอวดมีต่อทรัพสมบัติของเขา กับยาจกที่มีความภาคภูมิใจในความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวอย่างที่สองนี้กล่าวถึงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้และสิ่งที่ติดตามด้วยความดับสลายและการสูญเสียตัวอย่างที่สามกล่าวถึงการหยิงยะโสและการจองหองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิบลิสที่มันปฏิเสธไม่ยอมคารวะต่ออาดัมจนกระทั่งถูกเฉดหัวออก จากความเอ็นดูเมตตาของอลัลลอฮ์เรื่องราวต่างๆตลอดจนข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้นำมากล่าวไว้ในนั้นก็เพื่อเป็นมิทธ์อุทาหรอนโดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แนะและเป็นบทเรียนแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในขลอดที่ถูกต้องนั่นเองบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลกัฟิก็เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้า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 หรือวิจารเรื่อง ต, งต่างๆที่ได้กล่าวมาแต่ละเรื่องนอกจากนั้นเป็นการกล่าวถึงบางส่วนของภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรโลกและภาพลักษณ์แห่งการดำรงชีวิตตามแบบฉบับของอัลกรุรอานในการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม ا ل ح ล د ل ล ه الذي أ ز อ على عبده الكتاب ولم يجعل له ع و ا ج จาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงประธานคำพีแก่แปวงบาวของพร่ม และรรงงไไมม่ดด้้ททใหันบิเบืออนแต่ยตนยน่ยางเป็นคำพีที่เที่ยงธรรมเพื่อเตือนสำทับตึงการลงโทษอย่างรุนแรงจากพระงค และเพื่อแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาที่กระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอันดีงามเป็นผู้บำรักอยู่ในนั้นตลอดกาลและเพื่อเตือนสำทับบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอ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 นอกกจาาความเ็แล้วนั้นบางที่เจ้าอาจเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้าด้วยความเสียใจเนื่องจากการผินหลังของพวกเขา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 และแน่นอนเราได้ทำให้สิ่งที่อยู่บนพื้นดินเป็นผุยผงแห้งแล้งเจ้าคิดรู้ว่าชาวถ้ำและกรแผ่นจารึกเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนันรื้อไอ้เอว์คิดยะตูอิลัลเคหฟ์ฟะกาลูรับบนาอาตินามินลัดุลค์ะหั مة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 แลวเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาด้วยเราและเราได้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่า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 กลุ่มชนเหล่ า, า, น, ลานั้นของเราได้ยึดเอาพระเจ้าต่างๆอืนจากพระองค์ทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเราดังนั้น จะมีผูดด้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเทศต่อหรือและเมื่อพวกเจ้าปรีตัวออกห่างจากพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพอื่นจากอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพวกเจ้าก็จงหลบเข้าไปในถ้ำเถิดพระผู้วิบาลของพวกเจ้าจะทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์แก่พวกเจ้าและจะทรงให้กิจการของพวกเจ้าดำเนินไปอย่างสะดวกสบาย وإذا غربت قرضهم ا ت الشمال وهم في فجوة م ن ذلك من آيات الله مي ه د ِ الله فهو المهتد ومي يضل فلا تجد له وليا مرشدا และเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันจะคล้อยจากข้าของพวกเขาไปทางขวา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 َتَحْسَبُهُمْ ذَاتَ وَذَاتَ لَوِقْطَلَعْتَ لَوَلَّيْتَ بَاسِطٌ وَنُقَلِّبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بِالْوَصِيدِ رُعْبًا وَهُمْ دِرَاعِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ الْيَمِينِ الشِّمَالِ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ أَيْقَاظًا رُقُودٌ فِرَارًا และเจ้าคิดว่าพวกเขาตื่นทั้งทังที่พวกเขาหลับ และเราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายสุนัขของพวกเขาเหยียดขาหน้าทั้งสองของมันไปทางปากถา้ำหากเจ้าจ้องมองพวกเขาแน่นอนเจ้าจานหลังเตลดิดหนีจากพวกเขาและเจ้าจะเต็มไปด้วยความตกใจเพราะพวกเขา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 ي ي ถ้าจริงพวกเขานั้นหาพวกเขารู้เรื่องของพวกเจ้าพวกเขาเจ้าก้อนหิมขว้างพวกเจ้าหรือนำพวกเจ้ากลับไปนักถือศาสนาของพวกเขาและเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่ประสบความสาเร็จเลย